f i languages. 38. m u ในรถแท็กซี่ t a x i e ช่วยเรียกรถแท็กซี่ให้ด้วยค่ะ Wontu taxi ano k a r i รีไปสถานีราคาเท่าไหร่คะ ไรลุนิลดานักเกอเยสตูบาร์ดิกเกอเอุเดไปสนามบินราคาเท่าไรคะวิมานานิลด a น a กเกอเยสตูบ a ร์ดิกเกอเอาุตเดครุณาตรงไปค่ะเดาวิจิตร์เนรวากีฮกีคารุนาช่วยเลี้ยวขวาตรงนี้ค่ะเดาวิจิตร์อิลบละกะด กรุณาช่วยเลี้ยวซ้ายตรงหัวมุมค่ะเดววิจุอัลลีรัตเตคุณยัลลียัดเข็งฮกิดิฉันรีบนานูอาตุรัตลิดเดเนดิฉันมีเวลานานเกสสมวิเดกรุณาขับช้าลงได้ไหมคะ ดียวิตุนิทานว่างีฉลิสีครุณาจอดรถที่นี่ค่ะดียวิตูอลลินิลลิสีครุณารอสักครู่นะคะดียวิตูวันดุสวลปสมัยาไก่ดีเดี๋ยวดิฉันกลับมาค่ะนานูวันดุกชนะดลีหินธิรุกีบรุตเตเน ขอใบเสร็จให้ดิฉันด้วยนะคะนันเกดยวิตต์วนดูรสซีติโคดีดิฉันไม่มีเงินทอนนันนาบลิจิลลเรหดนวิลล่าไม่เป็นไรที่เหลือนี้ให้คุณค่ะตนอดเรอิลละบ้ากิหฮนานิมเกขับไปส่งดิฉันตามที่อยู่นี้ค่ะ นันนันนูอีเวลาส d ก h ก g i ข, ขับไปส่งที่โรงแรมของดิฉันด้วยค่ะนันนันนูนัน น, น, นวัตติกรุ d ก h ก g i ขับไปส่งดิฉันที่ชายหาดค่ะนันนันนูสมุทรตีรัก e กย์ขับไปห่ง